ตอนอบรมคอร์สนวมินครั้งที่4ี่ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม2560ตอนที่ห้าก็มีสารคลิปนะคลิปแรกก็ไม่มีอะไรเปิดให้ดูเฉยๆที่หมอญี่ปุ่นเขาเช็คนั้นเมื่อปีที่แล้วพวกคุยเห็นกระป๋องแก้ไหลออกมามันกลายเป็นเรื่องของสากรแล้วแล้วก็เขาวิจัยตามแบบวิทยาศาสตร์มันเกิดประโยชน์อะไร ขยับกายสบายชีวีเท่าตังมันก็วิ่งนะและเช็คนี่มหัศจรรย์เพราะว่ามันไม่มีท่านะก็เช็คไม่ต้องว่าหนึ่งสสามห้าแต่คลิปปีสองคือทีท6มีสท่านี่นี่คือคนทุกวันนี้ทำอะไรก็ช่างต้องมีการกำหนดการจัดการมีสเต็ปของมันมันก็ได้กายภาพบาบัดผ่อนคลายอารมณ์ยอย่างๆางแต่เรื่องจิตวิญญาณยังไม่อิสระ ทุกอย่างต้องมีการกำหนดนะ เ, ออเต้นก็ต้องเต้นเหมือนกันนี่คือความคิดแบบแบบแบบเป็นแพ็กเกจตายตัวนะได้การยภาับบนรบัดระดับหนึ่งแต่จิตไม่ได้กกรับความพิสระนะส่วนเรื่องสุดท้ายในทิงส s p e เนี่ยพวกคุยจะเปิดให้เห็นจริงๆแล้วภาพยนนั่งนีงน้ยาวมากเราก็บอกให้แก้วจิปเนี่ยตัดเอาแค่ดูเนื้อหาที่เราต้องการเนื้อหาที่หนึ่ง นะโรคหลายโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกายภาพมันเป็นเรื่องโรคอุปทานนะเป็นอุปทานนะเดี๋ยวอุปทานเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรนะเพราะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกวันนี้เราเรื่องกายภาพวิทยาศาสตร์คิดในเรื่องรูปธรรมต้องช่างตวงวัดได้อะอะไรที่ช่างตวงวัดไม่ได้นี่ปฏิเสธหมย่ยนะ เราถึงแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ชีวิตเรามันเกี่ยวกับเรื่องลูปกับนามนะมันไม่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องลูปอย่างเดียวนะก็อันดับที่หนึ่ง เ, เจ้าฟ้าชายจอที่หกเนี่ยเป็นประบัติศาสตร์ของอังกฤษจริงๆนะเมื่อเจ็ดปดสิบปีที่แล้วนะก็เป็นโรคพูดติดอ่างแล้วไปรักษามงหมดแล้วก็ไม่หายนะพอไปเจอหมอ คิดว่าหมอเรียกว่าหมออะไรดีนะไปพูดกับเจ้าฟ้าแบบนี้เนะ็าตัดคอทิ้งก็ได้รักษาโรคอุปทานต้องล้างอุปทานโดยทำลายหันตาไม่งั้นไม่มีทางหายนะถ้าไม่กล้าหารจริงๆก็ไม่กล้าทำแบบนี้เริ่มต้นจากอะไรรู้ไหมฟังเสียงเห็นไหมนะ เสียงดังๆเนี่ยมันจะทำให้เราลืมอุปทานทำไมก็ต้องเสียงดังต้องเต้นอะไรเนี่ยนแ ร, แรกเราก็อายเขินเนี่ยพอเต้นไปเต้นมาปุ๊บเนี่ยเราล้างอุปทานความอายความเคยชินเราได้นะนนี้เป็นอุปทานเห็นไหมแล้ททำไมอ่านได้เพราะเวลานั้นเราลืมนะเออพวกคุณจาได้ว่านักปนักปัญาของฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อเดก็อ เขาบอกว่าไอ้ i n ้ t h e r e for e I am นะคำนี้ในยุคเราเนี่ยใช้ไปทั่วโลกฉันคิดฉันจึงมีตัวตนคือเราคิดว่าเราเป็นเราก็เป็นเราคิดกลัวเราก็กลัวทีนี้ปัจญาตัวนี้ทุกคนก็เอามาใช้เราแก้ปัญหาโดยการคิดทีนี้ก็ามาคิดบวกกันนะคิดบวกเอาคิดบวกสร้างคิดบวกอุปทานใหม่มากบเเืิดคิดลกนะเพราะความอยาง มันก็กบเกิดได้ชั่วคราวยวสุดท้ายมันก็เป็นอีกนะทีนี้ถ้าทางสายธรรมถ้าอาพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์แก้คิดต้นเหตุนะคือกลับกันนะพระครูเขียนกลับกันนะนะจริงๆแล้ว I am therefore I think คือมีตัวเราถึงมีคนคิดต้องฆ่าอัตตาตัวเองทิ้งซะเข้าใจไหมนะเราสร้างอัตตาขึ้นมามีตัวตนเราจึงคิด และตัวตัวตรงนี้มันแฝงด้วยความอยากที่เราคิดบวกเพราะเราอยากชนะเราอยากสําเร็จนั่นแหละเราถึงแก้ปัญหาด้วยความคิดมันก็ดับอุปทานได้ชั่วคราวแล้วสุดท้ายก็ต้องคิดบวกอีกเมื่อเราปวดหัวเราก็กินยาพารานะเป็นเป็ น, ปนยาระงับประสาท น, นั่นเองมันไม่ใช่รักษามันทําให้ประสาทเวลานั้นอน่ะไม่ไม่รับรู้ความเจ็บปวดมันเจ็บอยู่นะแต่เราไม่รับรู้ความเจ็บปวดนี้อันตรายมาก เดี๋ยวมันพัฒนาไปสู่โลกอย่างอื่นอย่างคุณหมอฟันทั้ง น, นี้มีหลายท่านเราไปถอนฟันคุณหมอกระฉีดยาชาให้เรานะคือทําลายประสาทให้มันชาไม่ให้มันรับรู้กระแสไม่ให้มันส่งกระแสเจ็บปวดนี้ไปให้จิตวิญญาณแต่ถ้าเราคนตายเนี่ยนะไม่ต้องฉีดยาถอนมันก็ไม่รู้สึกเจ็บเพราะวิญญาณมันไม่มีวิยทยาศาสตร์แก้โดยตัดต้นตอตรงกายภาพเรื่องประสาทรับรู้ ประสาทมันรับรู้แต่ถ้าจิตวิญญาณมันไม่รับมันแค่เจ็บสิบเอร์ซทุกวันนี้เราทนไม่ได้เพราะมันเจ็บอยู่ที่ใจอีกเก้าสิอร์ซนตะบางคนเจ็บใจหัวใจวายตายก็ได้นี่คือขบวนการทํางานของวิญญาณส่วนมากชีวิตเราตอนนี้แก้ที่ปายเหตุนะถ้าไม่คิดบวกให้คิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดลบได้ไหม ก็ไม่ต้องคิดบวกนะแล้วมีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปตามหน้าที่อยากมีความสุขแต่นั่นคืความอยากมันไม่พอใจในสิ่งที่มีที่เป็นมันอยากได้เยอะมันก็เลยคิดบวกปลอบใจตัวเองนะคิดบวกก็เกิดจากตั้หาตั้หาคือที่มาของทุก น, นะตอนเขาให้ฟังเสียงเห็นไหม mm hmm. เสียงดังมากมันลืมอุปทานนะั้นแล้วว่าเขาติดอ่านเขาก็ไม่ติดอ่านเขาก็อ่านได้ นะเขาก็อ่านได้แต่ที่นี้เรื่องความอัตตาตัวตนเรื่องทิฏฐิมณนะเรื่องอารเพราะว่าเขากดดันมานานยิ่งไปตำแหน่งสูงสูอะไรเนี่ยนะหลายหลายท่นานก็เคยประสบสมมติว่าครั้งแรกขึ้นไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะไม่เคยจับไมเลยเนี่ยเดี๋ยวขาสัน่นเอ้ากลัวอะไรเลยอันนี้ก็เป็นโรคอุปทานไงนะทีนี้เนื่องจากวิยาศาสตร์การแพทย์เราละเลยเรื่อง รูปประทเรื่องเรื่องนา ม, มาทำนะเราก็เลยละเลยเรื่องโรคประทาบ น, นะเราก็รักษาตามอาการกินแล้วกประสาทกินให้นอนหลับให้ลืมอารมณ์นั้นชั่วข่าวมันก็ลืมชั่วข่าวพอตื่นขึ้นมาก็ติดอ่างอีกนะยีสบแปดปีพ่อครูยอยู่ในป่านั้นนะหามมาก็มีโรคอะไรก็มีหมดนะโรคหอผืดเป็นตั้งแต่กาเนิด น, นะพ่อก็เป็นหมอเด็กนล่แะ ฉีดพ่นยามายี่สิบกว่าปีนะ <c oughs> พ, อพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยหอมพืนเลยนะจบมาเทยาไรจุลาปีนั้นนะ่ะคุณหมอเป็นพ่อก็พาไปทิ้งกับพ่อคูณเจ็ดวันนะเขาอยู่มุกดามุกดาหางเขาก็เวียนทุกวันวันที่เจ็ดบัเงเอิญพ่อแม่จะมารับนะเขาก็ไปในศาลาออน้องคนนี้เนี่ยก็เกิดอารมณ์ อะไรเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นลมชักอยู่ในกรรมฐานพ่อเขาก็ไปห า, ายามาฉีดพ่นนะแม่ก็ทุกมากเลยพ่อครูบัญชาเป็นใครเพิ่งรู้จักไม่นานคุณแม่ก็เป็นโรคกระเพาะมาปฏิบัติแล้วก็หายไงถึงเอารุ่งมาฝากพ่อคูทีนี้เด็กมันก็วิ่งไปบอกพ่อครูว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้พ่อครูก็ถามเด็กว่าป้าแขอยู่ให้ป้าแขยู่บอกเขาตายเลยนะนะบอกเ้าตายเลยเยกชิดได้ คนปฏิบัติไม่ตายเดี๋ยวพ่อแม่ตายก่อนพราะูก็เดินเข้าไปในศาลาเขาจาเสียงพกก่อปูได้พราะูเกมตายเลยลูกตายเลยเขาตายในกรรมฐานตอนนั้นมันดิน้นดินเน่ยมันมันมันมันเป็นอรค โ, โลกขอบผืดมันนะมันเป็นลมชักอะไรเขายอมตายตายปุ๊บพกันนิ่งสักนะพักหนึ่งก็าเพิ่งขึ้นมาหน้น แม่เขามานั่งกากพวกูแล้วร้องไห้ทุกใหญ่เลยมันเขาก็เล่าพวกครูฟังมื่คือเขาคิดอะไรเอ๊ะพวกคูเป็นใครทําไมเอาชีวิตลูกเรามาฝากพวกคูเนี่ยอะไรเสียงเป็นเสียงตายเดี๋ยวลูกเขาเดินมาเกมเป็นยังไงลูกหมดสบายสบายจะนั่งอีกไหมนั่งสิแม่จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยน่าจะเกือบสิบแปดปีไม่เคยมีอาการอีกเลยนี่คือโรคตั้งแต่กําเนิด ไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของกรรมบีม้บัดหมาปวดหัวห่ากหายแยกเป็นมภาพอยู่ที่ว่ามันจะส่งผลเมื่อไหร่เพราะบุคถานคุณหมอในฐานะหมอเนี่ ย, มมยโรคนี้มันเกิดขึ้นก้าอะไระมันน่าจะหลอดลมมันตีบมันอะไรอะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่รักษารหายล่ะทำไมต้องฉีดพ่นยาตลอดไปลมันไม่เกี่ยวกับกายภาพาเห็นไหม และเรื่องนี้พอกูประสบการมาเยอะมีหมอคนหนึ่งอยู่ไต้หวันนอกจากพอกูกลับมาอเมริกาใหม่ๆเขแวะไต้หวันอเป็นญาติกันนั่นแหละเป็นกอดที่ไต้หวันเขาล้มลงไปเขากินเหล้าแล้วเขาก็เป็น อ, อมพาตะ น, นะตอนนั้นพอกูทําวิจัยตลอดเนี่ยถ่ายวีดีโอไว้แนละ้วพอกูก็พาคนนั่งพอเขาไปในจีบ ป, ปุ๊บไอ้ที่มือมันเอาออกไม่ได้มันล้ำเฉยเลยเอาถ้ามันเป็นจริงๆมันออกมาได้ยังไง เวลานั้นน่ยมันลืมอุปทานว่ามันเป็นมันก็ไม่เป็นไงใช่ไหมแล้วไม่สามสี่วันเองนะเขาขยื่นได้อะไรได้อา้าวพาไปเดินห้างพเพราะกูกูใช้อุบายคุยเขาเนี่ยเขาก็ลืมบาตรก็เอามาพ่ายเขาก็ไม่เป็นพอเดินไปเห็นมันไดเลื่อนปุ๊บเนี่ยเขาเป็นถ้ามันเป็นกายภาพจริงๆมันต้องไม่หายใช่ไหมมันเป็นอุปทานจิตเป็นยึดมั่นว่าแล้ แ่ว่าเราเดินไปเนี่ยในป่าเนี่ยกลางคืนเนี่ยเพื่อนบอกผีผีผีทำไมเราเดินไม่ออกเห็นไหมเมื่อกี้เดินมาดีๆแรงมันหายไปไหนหมดอันนี้เรียกว่าโรคอะไรโรคอุปทานนะอกขักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยกายภาพเป็นอะไรหรอถูกเขาตีหัวเหรือถูกเขามีดเสียบหรืออ่ะเป็นเพราะอะไรอยู่ๆดีๆก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะ ว่าเราคิดเอาเองว่าเราเป็นผิดหวังเราเป็นคนโกรครับเหตุไม่เราก็ไม่มีแรงหลายหลายอย่างเราละเลยเรื่องนี้แล้วก็ไปรักษาทางวงการแทนก็รักษาตามอาการเนะบาหวานอีกอย่างหนึ่งนะเนะบาหวานขึ้นฉีดยูซินให้มันต่ำนะพอมันต่ําก็จะชออ็อกอีกกระเทิบนําเพิ่น้นำนนตาลให้มันสูงที่เราเป็นเบาหวานเพราะน้ําตาลมันเยอะอยู่แล้วนะคือรักษาแบบนี้สุดท้าย ไปฟอกไตนี่นี่คือรักษาตามอาการไงมันเป็นชุดเราไม่ตายเพราะเบาหวานนะเราไม่ตายเพราะเบาหวานเราตายเพราะโรคแทสรกซ้อนเมื่อเกิหมอบรรชาไปอเมริกาปกติพวกคูจก่จัดทอดแกต้องมาบรรยายให้ฟังนะพกพรุ่งนี้จะกลับมาแล้วก็ ค, คือคนไมเย็นพ่อูหมอบรรชาบอกพ่อปูแล้วว่าวงการแพทย์สรุปแล้วว่า โรคไตกเกิดขึ้นจากยาอันตรายมากก็มันเป็นเบาหวานอ่ะคุณรักษาโดยคุณไปกดให้มันต่เพอมันต่ำพวก็วุณก็คุยก็นเพิ่มตาให้มันสูงพอที่ยามหมดมันก็สูงอีกเพราะครูพูดหลายปีแล้วเพราะคูไม่ชอบการรักษาแบบนี้มีวิธีอื่นไหมจริงๆแล้วมีเพิ่งตนเองใช่นะ แล้วกระตุ้นพุ่นุ่นบันเราเกิดแล้วสุกขานอันยันมันก็จบหมนะหลายอย่างเป็นโรกอุปทา น, นแต่เนื่องจากวิทยาศาสเนี่ยเราเราเอาอแค่รูปประทังเนี่ยต้องช่างตวงวัดได้โลกอุปทานมันไม่มีประหลอดวัดไม่มีเครื่องมือวัดเขาก็เลยไม่สอนกันนะสุดท้ายแล้วต้องพึ่งตนเองนะพึ่งตนเองนะกายฟิต จ, จิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวีก็มีสุขละ อันนี้ช่วยเหลือสุขภาวะส่วนแพทย์ไม่ใช่ผิดนะบางอย่างต้องพึ่งแพทย์แผนแผนแผนใหม่นี่แหละอย่างเราผ่าตัดเราเราขาขาดอะไรพวกนี้ต้องใช้แต่หลายๆโรคนั้นเราพึ่งตนเองได้ทำให้ตัวเองแข็งแรงวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสาจิตสาดร่างกายสา ส, สิ่งแวดล้อม แต่ตอนนี้ร่าง ก, กายเราสะอาดไหมไม่บางทีกินอะไรกินสารตกค้างกินสารพิษเข้าไปแต่มันกินเหล้าเข้าไปกินสูบบุหรี่เข้าไปนะจิตเราสะอาดไหจิตเราเปื่อนทุกวันดีใจก็เปื่อนเสียใจก็เปื่อนตกใจก็เปื่อนภูมิคุ้มกันมันก็ต้องตกเราเพิ่มความเครียดให้มันไงนะเพิ่มความเครียดปุ๊บภูมิมุมกันก็ทําไม่เต็มร้อยท่านเก็บไหมตอนนี้เรากินข้าวเข้าไปแล้วก็มีฟันมาเคี้ยวนะย่อยแป้งแล้วก็เกินลงไป ย่อยหรือ่อยโปตีนย่อ ย, อ, ย อ, อะไรเนี่ยแล้วทำไมมันเก่งจังเลยของดีเอามาใช้ของเสียขับทิ้งแต่ตอนนี้เมื่อเราเครียดและภูมิคุ้มกันที่มันทำงานไม่เต็มร้อยมันขับไม่หมดมันสารตกค้างมะเร็งเกิดจากสารตกค้างแล้วก็ยาที่เราบริโภคระยะยาวๆแล้วนี่ยมันตกค้างอยู่เนี่ยแล้วก็บวกกับภูมิคุ้มกันเราตกต่ำเราเครียดเยมันก็เลยเป็นโรคภัยให้เจ็บ ต้องพึ่งตนเองทีนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ใช่ไม่ดีนะดีมีประโยชน์มากแต่บางเอินองว่ามันถูกครอบกับโดยระบบธุรกิจนิยมตอนนี้เป็นเรื่องทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะเขาเน้นแต่ว่าปวดหัวรักษาคุณหายเดี๋ยวนี้เพราะกูว่าไม่เพราะกูเป็นบรรยายลงลงไปบานมุกราหารนะเพรา ะ, ะ, ะกูต้องพูดเนี่ยเหมือนหมอคนนี้พรากูแย่ให้หมอโกรธก่อน คุณหมอไม่เก่งหรอกไข้หวัดก็ไม่หายภูมิแพ้ก็ไม่หายไม่หายได้ยังไงหายถ้าหายวันนี้ปีหน้าจะเป็นอีก น, นะมันแค่บรรเทาเฉยๆมันไม่ได้รักษาขาดเนาะอย่าว่าจะโรคมะเร็งโรคเอดเลยรักษาไม่ได้เนาะไอโไ้โรคง่ายๆนี่ก็รักษาไม่หายขาดมีจะบรรเทาเฉยๆนะถ้าเราหายขาดนี้เขาจะไปขายยาได้ยังไง เบาหวานความดันกินยาตลอดชีวิตมันเป็นไปได้อย่างนั้นเห็นไหมแล้วมันก็ตกค้างสิเพราะกูไม่ชอบการรักษาแบบนี้นะถ้าใครไม่ต้องการพึ่งยาไม่ต้องเสียเงินการรักษาก็ทำให้ตัวเองแข็งแรงะนะฝึกให้ตัวเองแข็งแรง กินยาบ่อยๆไม่ดีนะไม่มีแม้แต่เม็ดหนึ่งไม่มีสารตกค้างยาสมัยใหม่เนยอย่างนี้น้อยต้องมียากันกันลากันอะไรก็แล้วแต่เนีนานๆกินถึงมันถ้ากินบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวโรคอย่างอื่นตามมานะเขายืนยันแล้วว่าโรคไตเกิดขึ้นจากยาอันนี้ก็เขาเล่าให้ฟังว่าบางอย่างมันไม่ได้มันเป็นโรคถ้าเอาพ่อคูไปหาหมอเนี่ยพ่อครูเป็นโรคทันทีนะ โรคชลาเราไม่ได้เป็นโรคเราเป็นแค่คนอายุมากเฉยๆไงถ้าเขาไม่ตั้งชื่อโรคเขาก็รักษาไม่ได้คิดกินไม่ได้เหมือนรถเราไปเข้าอู่ปุ๊บเดี๋ยมันต้องมีเรื่องนี่างไม่มีเรื่องเขาก็มีงานทาเห็นไหมตั้งโรคหมดตั้งตั้งชื่อโรคเพราะมันเป็นธุรกิจนิยมไงที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่คุณหมอดีหรือไม่ดีคือระบบมันเป็นแบบนี้มันเป็นธุรกิจนิยม เป็นธุรกิจนิยมนะเพราะกูอยู่กับวงการนี้มานานนะตอนนี้หมอหลายคนก็เข้าไปศึกษาเพราะโรคบางโรคเนี่ยหมอเองแก้ไขไม่ได้นะวันก่อนก็เคยพูดว่าอามาสีตรงไทยเป็นลูกศิษย์คนแรกยี่สิบแปดปีก่อนตอนนี้อายุเก้าสิานะที่อยู่บนยังอยู่ตอนนั้นออดอแอดแอเพราะปฏิบัติแล้วแข็งแรงแต่ทุกปีนี่ ลูกหลานก็พาไปเช็ค拉่างกายทุกปีปีก่อนมารายงานพ่อครูไปหาคุณหมอคุณหมออายุประมาณสามสิบกว่าเป็นคุณหมอผู้หญิงนะคุณหมอก็ถามอาม่าสบายดีไหมบอกอาม่าสบายดีพ อ, อมาถามคุณหมอสบายดีไหมคุณหมอบอกไม่ค่อยสบายคุณหมอเป็นวายคนสบายดีไปหาคนไม่ค่อยสบายแต่มันเป็นระบบมันไงนะแล้วน่ากลัวมาก คุณหมอพูดตรงกันหมดหลายคนหลายๆแนงสาขาไปหาพวกคูนะก็บอกตอนนี้เฉลีย่ยหมอประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยหลายประเทศเป็นแบบนี้ฉนเฉลี่ยอายุ52ปีเสียชีวิตฟังก้นน่ากลัวไหมหมอเป็นศาสตร์ซึ่งเขาเรียนรู้เรื่องสุขภาวะมากที่สุดทำไมหมอไม่สามารถบริหารชีวิตตัวเองให้ยั่งยืนเหมือนอาม่าได้ 9.3 ปี พ่หมออยู่กับสารเคมีตะลอดแล้วหมออยู่กับความเครียดตลอดเคยเห็คนคนไข้ฟ้อนหลั่เข้ามาใ่ไหมชัดดีจันเลยชัดปวดหั ว, หว ช, ชัดหัวแตกใช่หัชหมเห็นแต่เขาโอนโอนพวนหมดถ้าคุณหมอไม่ระวังตัวนะคุณหมอเเดี้ยงหมดเลยนะคเครียดหมดนะนั่นแหละคุณหมอก็ต้องมานักเวียนนะเพิ่มกำลังให้กับตัวเองนะก็คิดว่ามีคําตอบก็ไ ม, ม่เวลาตอบละเจ็ดโมงอะน้อง เอาไว้พรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรามีนานๆจิตตังนะก็ไปเข้าห้องน้ำเนาะแล้วก็ให้เวลาแค่สามนาทีเข้าห้องน้บ